เรื่องหญิงคฤหัสหนึ่งเรื่องสมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายชชวีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับหญิงคฤหัสภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่76